บุตธรรมก ทา้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของพรหมวิหารเนี่ยในด้านของพรหมวิหารที่จริงในหลักของคำว่าพรหมวิหารเนี่ยมีด้วยกันสี่อย่างก็คือว่าเมตตาการุณาและก็มุทิตาและอุเบกานั้ น, นพระโยคีบุคคลผู้เริ่มทำกรรมฐานคำว่าพระโยคีบุคคลเนี่ยท่านหมายถึง คำว่าโยคีหรือว่าโยคาวาจรเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลผู้ทําความเพียนทั่วไปเนี่ยโยคีหรือบุคคลก็แปลว่าบุคคลผู้ทําความเพียนฉะนั้นคําว่าโยคีหรือบุคคลเนี่ยเป็นชื่อของผู้ทําความเพี้ยนทั่วๆไปโดยเฉพาะเรียกผู้ที่เริ่มธรรมะคำกรรมฐานตัวไปนะเนี่ยถ้าหากว่าภายนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยทําความเพียน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 ความกังวลในที่อยู่ความกังวลในตระกูลอุปถาความกังวลในราบสกาละความกังวลในหมู่แล้วก็ความกังวลในการงานความกังวลในการเดินทางความกังวลในหมู่ญาติตลอถึงความกังวลในการเจ็บป่วยเนี่ยและก็ความกังวลในการศึกษาเราเรียนในที่สุดจริงๆก็คือถ้าคนที่ได้อิทธิฤทธิ์เนี่ย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 ไม่ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ที่ดีงามนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อการประพฤติปฏิบัติไม่ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งจิตหรือปรารถนาก็าไว้เนี่ยการปฏิบัติก็เจออุปสรรคดังที่ได้กล่าวมานั่นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคแห่งการเจริญกัรมะถาทีนี้ผู้ปฏิบตัติเนี่ย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 เขาเรียกว่าเป็นสันทัดก็ได้รือนิสีธนะก็ได้ที่เราเตรียมก็ไว้ในท่านั่งใดๆก็แล้วแต่ที่เห็นว่าเว้นจากโทษต่างๆดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วหลังจากนั้นน่นะถ้าจากครั้งที่แล้วก็ได้พูดบอกว่าพระโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจงพิจารณาเห็นโทษของโทสัแล้วก็พิจารณาเห็นอนิสงส์ของขันติ พิธีเริ่มต้นแห่งการที่จะประพฤติปฏิบัตินี่เนี่ยเห็นโทษของโทสะคือความโกรธความไม่พอใจแล้วก็พิจารณาเห็นอนิสงส์เก่าคือเห็นคุณของขันติธรรมทีนี้การเจริญเมตตาพระวิหารเนี่ยความประสงค์เพื่อที่จะสลัดทิ้งเสียซึ่งความโกรธและวัตถุประสงค์ก็จะได้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณ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 จับเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะเจริญเมตตาเนี่ยนั้นก่อนที่จะลงมือในการที่จะเจริญเมตตากรรมฐานเน่ยโยคยีหรือผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาหเห็นโทษของความโกรธเสียก่อนทั้งนี้โดยอาศัยในแห่งพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เป็นหลักเป็นอาทิว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดูก่อนอาวุโสคนที่โกรธขึ้นมาก่อนแล้ว ถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้วเนี่ยย่อมอาจจะร้างผานชีวิตของกันและกันได้ทีเดียวเออตรงนี้เป็นเป็นโทษของโทสะที่พระพุทธองค์บอกกล่าวก็ไว้ว่าความโกรธเนี่ยถ้าพ่อคูณให้เกิดมากขึ้นทำความโกรธให้เกิดขึ้นในใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ย ถ้าใจของบุคคลใดเนี่ยถูกความโกรธครอบครองแล้วเนี่ยใจของบุคคลนั้นเน่ก็จะเต็มไปด้วยความมาคาดพยาบาทในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยก่การล้างผลานชีวิตซึ่งกันและกันได้ที่จริงท่านวางหลักเขาไวน้นะว่าเริ่มหน้าหนิ่คิ้วเขาโมดเริ่มจากการประทุสล้ายการมีการตะโกนด่ากันมีการประทุสล้ายกันด้วย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 คือความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นทำเครื่องเผาบาปนะเช่นบาปที่มันจะมาเกิดทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะกระแสบาปทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยนะขันติเนี่ยเมื่อมีขันติแล้วตัวขันติจะไปเผาบาปเหล่านั้นนะบุคคลที่จะเป็นพระอรหันเนี่ยหรือบุคคลที่จะเป็นพรามก็มีขันตินะเป็นกําลังนะ คุณธรรมที่เป็นเครื่องป้องกันความขิบหายเนี่ยนะเช่นว่าความวิบัติเช่นว่ามนุษย์สมบัติเอ่ยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคนที่พลาดสมบัติเหล่านี้ก็เพราะคนขาดขันตินั่นเองคนที่ขาดขันติก็พากันลงไปสู่อบายภูมิกันเป็นจํานวนมากกว่านั้นเนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ทําขันตินั้นให้เกิดขึ้นในกระแสจิตทีนี้ การศึกษาเมตตาพรหมวิหารเนี่ยเคยกล่าวไว้แล้วว่าเมตตาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นเมื่อเมตตาเป็นอริยทรัพย์ตัวเมตตาเ น, เนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าที่พระพุทธเจ้าจะรู้ว่าเมตตาภาวนาเนี่ยสา ม, มารถที่จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้น เป็นประทัดฐานแห่งการบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงก้าวคือมรรคผลนิพพานนี่กว่าที่พระพุทธเจ้าจะแทงตลอดเมตตาภาวนาได้ต้องอบรมบ่มอัธยาศัยมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับบำเพ็ญเมตตาบา ร, รมีมาเนยเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับต่อมามาตรัสเมตากับมาฐานได้เนี่ยนะเมตตาภาวนาเนี่ย ฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าอริยทรัพย์ที่พระพุทธองค์คนพบเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐการที่เราจะเอาอริยทรัพย์มาไว้ในใจเราเนี่ยนะเราก็ต้องตรวจสอบใจเราดูก่อนว่าใจของเรานั้นน่ะสะอาดเพียงพอต่อการที่จะรองรับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่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 ชนิดจิตใจของเราทั้งหลายที่จะลองรับคุณธรรมกล่าวคือเมตตาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเออใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องดีหรือไม่ต้องขจัดความไม่ดีในใจของเราออกให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาลิสยาไม่ว่าจะเป็นราคาโทสาวโมหะเนี่ยให้ให้หายออกไปก่อน เมื่อเราปลดเปลื้องจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้ก็อัญเชิญนะฮะเหมือนกับการที่ว่าบุคคลจะอัญเชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เ อ, อรับใส่เกล้าใส่กรหม่อมที่เขากล่าวกันนิ้นึงที่เราจะรับกระแสพระราชดำรัสเนี่ยเรายังต้องรับใส่เกล้าใส่กรหม่อมในลักษณะที่ว่า เอาไปประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีข้อกังขาใดๆเลยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่ากระแสรพระดำํำรัสของพระย้าเป็นดินยิ่งกว่านั้นเพราะว่าพระธรรมคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกั้นกลองมาเป็นเวลาสีาสา่สงไขยิ่งด้วยแสนครับฉะนั้นก่อนที่เราทั้งท่าน ท, ทั้งหลายเนี่ยจะมนาสิการจะอบรมจะเจริญเมตตาภาวนาเนี่เนี่ย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 สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่าลักษณะราษฎรป จ, จุบฐานปทัศฐานสมบัติวิบัติแล้วก็อาสานาป จ, จัตติกะธูระปจัตติกะเป็นต้นของเมตตาเนี่ยเนะยลักษณะเนี่ยก็แปลว่าเครื่องหมายราษฎในที่นั้นนะ่ะรถนะ่ะเป็นหน้าที่เป็นกิจเป็นการงานของเมตตาปัจจุบฐานนี่เป็นอาการปรากฏเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลเนะี่ย ปัจสถานนั่นคือเหตุใกล้สัมปติก็คือความสมบูรณ์ของเมตตาวิปัติในที่นั้นก็คือความวิบัติกล่าวคือความเสียหายของเมตตา น, นั่นเองประการต่อมาคืออาสันนะปัจจทิกะหมายถึงค่าศึกอะไรเป็นค่าศึกของเมตตาข้อสุดท้ายก็คือว่าธุราปัจจทิกะก็แปลว่าค่าศึกเหมือนกันอาสันนะแปลว่าค่าศึกใกล้ ส่วนทูระเนี่ยนะปัจจะปัจจติกายนั้นเป็นค่าสึกไกลลําดับแรกคือลักษณะของเมตตาเนี่ยเมตตามีลักษณะยังไงหิตาการับปวัติรักขณาก็มีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะลักษณะของเมตตาก็คือมีความรักความปรารถนาดีกว่ามเมื่อทอนอย่างจับจิตจับใจ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 ไม่ใช่เป็นลองข้าศึกนักปฏิบัติก็ต้องรู้จากกรรมฐานที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของตนเองต้องรู้จากชัยภูมิและต้องรู้จากกรรมฐานต้องรู้จากการครบคนแต่ต้องต้องต้องฝึกอะไรให้เป็นแล้วทำไมจึงฝึกต้องฝึกอะไรให้เป็นนที่ต้องฝึกให้เป็นนั้นก็เพราะว่าถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของชัยภูมิเนี่ ย, ยถ้าดูชัยภูมิไม่ไม่มี เขาบอกว่านักรบเนี่ยถ้าขาดภาษาภาษานักลบเนี่ยเขาจะมีอยู่คนคนหนึ่งเรียกว่าว่าเออมีที่ปรึกษาะคนที่เขาจะลบเก่งๆ เ, เนี่ยเขาจะมีที่ปรึกษาที่ดีสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ปรึกษาอย่างดีอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทิ้งคําสอนไว้แล้วเหมือนกับเขียนแผนที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราดูแผนที่ไม่ค่อยอ พอดูแผนที่ไม่ออกก็ที่พราะแผนที่ว่าแบบนี้เออไม่ถูกใจอีกบางทีบอกไม่เอาดีกว่าเอาอย่างที่เราคิดก็ว่านี่คือปัญหาฉะนั้นประการแรกรู้ลักษณะของเมตตานะว่ามีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แกสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ กายกรรมวจีกรรมโนกรรมเน่ยกายกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมมีนะเมตตาวจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาเมตเมตเมตากายกรรมทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเออถ้าหากว่าใจยังไม่มีเมตตาแต่จะเจริญเมตตาอันนั้นผิดหลักแล้วเออต้องดูลักษณะต้องรู้จักเมตตาก่อนใช่ไหม เมื่อรู้จักเมตตาแล้วก็มับริหารใจของตัวเองให้มีเมตาก่อนก่อนที่จะเจริญเมตตาการจะบริหารใจจะทำจิตของเราให้มีเมตานั้นก็แปลว่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยมองทุกๆุกอารมณ์เมตตาเกิดได้ถ้ายังนี้เริ่มได้ดีแล้วเห็นอะไรผ่านเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเนยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมันมันเริ่มออกมา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 คือทำประโยชน์สามเหล่าเนี้ยให้กับพ่อให้กับแม่ต้องให้กับพี่กับน้องให้กับเพื่อนให้กับจัดทั้งหลายร่วมโลกนี่นึงอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตของเมตตามันไหลออกมากิจของเมตตามันไหลออกมาทางไหนมันไหลออกมาจากทางทวารตาหูจมูกดิ้นายใจแล้วมันก็แปลเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางใจ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 เห็นเขาได้อิ่มหนำสำราญโอ้มันชื่นใจนี่นะเมตาจะเป็นลักษณัง่งนี่นะเห็นเขามีความรู้มีความเข้าใจเออมีความสุขถ้าเห็นเขาทำผิดก็น้อมที่จะทั้งให้เขาทำให้ถูกเบตาเป็นอย่างนี้เอาถ้าไปแนะนาแล้วเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราแนะนำก็ไม่ขัดเคืองไอ้ <c oughs> ตรงนี้เราเนะบางทีไปแนะนำเบสเ็จนี่นะ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 แต่อย่างเงั้ยนี่ก็เลิกกันเลยเราเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ลักษณะของคนที่เจริญเมตตาเนี่ยมันไม่หกกล้มไอตัวพยายามคว้าความเพียรความบากบั่นเนี่ยนะความเพียรเนี่ยมีหลายระดับเนี่ยหนึ่งเพียรออกจากความเกลียดค้านใช่ไหมแล้วก็เพียรพยายามต่อสู้เนืองๆเลยนะไอคําว่าเพียรพยายามต่อสู้เนืองๆนั้นเป็นชื่อของการทําอะไรทําเมตตาเนี่ยทําสมถะเนี่นะกรรมฐานเนี่ย ให้เจริญเกิดขึ้นสืบต่อไปเนี่ยแล้วก็เพื่อคุณธรรมเบื้องสูงไม่ใช่อยู่แค่เมตานะเพราะเมตานี่เราเพียเพียงว่าเป็นสพัพพะถ า, าเท่านั้นเนะเป็นกรรมฐานที่จำบัตธนาในกิจทั้งปวงเท่านั้นนะแต่ว่าสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยเมตานี่แหละจะเป็นบรรทันฐฐานเห็นการแทงตลอดอริยสัตว์นะนั้นเพื่อการบรรลุธรรมคุณธรรมเบื้องสูงงื่นตัว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 เออในยามที่เมตตาเกิดขึ้นจิตใจมันก็ชื่นบานเอิบอิ่มพองไสเนี่ยนะยามใดเมตตาหายไปโอ้โหเหี่ยวแห้งหดหู่ท้อถอยนี่มันเป็นอย่างนี้แสดงว่าการพัฒนาการบริหารเมตตายัางไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นนักบริหารเขาเรียกว่าล้มเหลวเออล้มเหลวนักบริหารท่านเนี้ยล้มเหลวทําไมจึงเรียกว่าล้มเหลวคือว่าขาดทุนเนี่ย ทำเมตตาเกิดขึ้นได้ไม่ปฏิปตอ่อพวกเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนักบริหารแต่ว่าจะเป็นนักบริหารชั้นระดับไหนมีสามชั้นนะชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นปลายมีดนเนี่ยที่จริงชั้นต้นเนี่ยเขาเรียกชั้นเลวคําว่าชั้นเลวเนี่ยแปลว่าเอาดีไม่ค่อยได้เอาดีไม่ค่อยได้เขาเรียกเออถ้าหาภาษาของในสมัยก่อ น, นเนี่ยทหารเขาก็จัดไปเป็นสามระดับ ทหารชั้นเลวชั้นกลางชั้นยอดเยี่ยมเลยนะถ้าระดับทหารชั้นเลวๆนี่ก็โอ้โหถ้าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยจะไปสู้รบกับเขาเนี่ยเนียบางทีไปสู้ทหารชั้นดีสามพันเนี่ยสู้ไม่เพราะว่าการฝึกซ้อมก็ไม่ดีฝีมือก็ไม่เก่งไอแถมใจไม่ร้อยอะใจไม่ร้อยนักปฏิบัติถ้าชั้นต้นๆชั้นเลวๆ เ, เนี่ยเนี่ยก็เหมือนกัน ออประเภทที่ท่าดีอ่ะไม่เอาแน่เนี่ยนะแต่พอไปทําท่า ท, ทําทางหน่อยโอ้ไม่เอาแล้วมันถอดใจซะอีกแล้วอยี้ยเนี้ยนะอย่างงี้ก็เรียกชั้นชั้นเร็วอันนี้ไม่คู่ควรถ้าชั้นกลางๆ ก, ก็ประเภทนี้บากบันหน่อยอประเภทนี้ถ้ามีคนจุงดีๆหน่อยดีเนี่ยว่าเออเอาก็เอานเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าชั้นระดับชั้นหัวกะทิชั้นเยี่ยมเนี่ยอย่างงี้ไม่ถอย ไม่ถอยขนาดว่าแพ้นะประเพ ท, ทีทาทำทำไปล้มลุกาคลานนี่เนะเขาบอกพักผ่อนบ้างเถอะแพ้เถอะไม่แพ้ไม่ยอมสู้ต่อไปสู้ต่อไปเนี่ยเนะยคือว่าสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็เร็วแล้วเราเราก็ทำอยูเ่เหมือนนักปฏิบัติท่านหนึ่งที่บอกว่าใหม่ๆก็คิดว่าอ ย, อย่างตนเองเนี่ยต้องเจ็ดวันก็ได้ผลแล้ว เพราะเจ็ดวันนะไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยเนะี่ยเอาไม่ถอยเป็นเดือนเป็นสามเดือนเป็นปีเป็นสองปีไปไปม า, มาทำอยู่อย่างนั้นเนะ่ะสามสิบปีเนี่ยเนะี่ยเออถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าระดับสูงคือถ้าได้ถ้าได้ก้าวขาหรือถ้าได้มุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วเนะี่ยเรื่องเป็นถอยไม่มีเออถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าชั้นเดี่ยว ถ้าพวกเราพัฒนาใจของตนเองไปถึงระดับอย่างนี้ได้โอ้โหถือว่าโอเคได้ดีแล้วแบบนี้นั้นทับถึงนั้นได้ยังระดับชั้เยี่ยมหรือยังชั้นเยี่ยมหรือยังยังเลยแล้วพัฒนามากี่ปีเนี่ยสิบกว่าปีแล้วโอ้โหเดดเลยยังชั้นต้นๆอยู่เลยแล้วใครไม่ให้เราทำแล้วใครไปห้ามเรา ใครห้ามไม่ให้เราทำไม่มีใครห้ามก็รีดเร่งเพียนได้แล้วหรือคิดว่าเราอีกร้อยปีถึงจะตายฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้นะก็ต้องพยายามที่คิดใหม่แล้วว่าบางทีก็ต้องใช้ถ้ามันมันไม่ค่อยเดินเลยเนี่ ย, เ, ยเขาบอกว่าเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเหมือนเอาคาสอนพระเจ้าให้เหมือนกระตะขอเขาเห็นตะขอที่เขาสับหัวช้าง น, นั่นแหละ ต้องต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวช้างขนาดมันตกมันเนี่ยนะช้างขนาดมันดื้อแสนดื้อเ น, นี่นะนายควานช้างผู้ฉลาดเขายังฝึกได้เขายังมาสับมาโขกมันเลือดไหลมากๆเลยแล้วแล้วในที่สุดจริงๆมันก็มัน ก, มนก็มันก็ยอมทีนี้ถ้าเรามันไม่เอาใช่ไหมต้องสับไหมต้องสับโดยถ้ามันไม่เอาต้องสับแล้ว ก็เอาคําสอนของพระเจ้ามากระทุ้งตัวเองบ่อยๆตําหนี่ตัวเองบ่อยๆเนะ่ถ้ามันจะนอนมากๆก็ตําหนิ่อเออนรกคงจะเย็นสาหรับพวกเองละมั่งอะไรเงี้ยเตือนใจตัวเองอย่างเงี้ยก็เตือนตัวเองจริงๆโอ้โหแต่เนี้ยนะเออต้องเตือนตัวเองอย่างอย่างเรามันต้องใช้ขอแหลมๆใช่ไหมถ้าใช้ขอไม่แหลมจับแล้วมันไม่ค่อยสะดุง้งต้องขอเ่มแหลมๆับ แต่นี้มันจะสะดุ้งเลยแตนี้เออเลยนลยก็ว่าไปอย่างนั้นล้อมันไม่เอาจริงล้อก็ตนเองรู้ตัวเองอยู่ใช่ไหมถึงจะว่าอย่างไงยังไงก็ว่าด้วยความรักมันว่าด้วยความรักเพราะจริงจริงอะแก้งว่าไปอย่างงั้นแต่บางทีที่จริงโอ้มันรักตนเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว